เล่าตามแล้วอาชญากรรมต่ a งๆก็เกิดขึ้นเรื่อยองเ What? vai วันคืนที่ผ่านไปไ้วได้ทำประโยชน์ก่ากตัวเ่องตัวอย่างไรหรมีแต่จิ้งจกขี้เสือส่เพื่อนมาเล่นอยู่นั้นหนอ ตัวสามมนุย์ถ้าบวชเข้ามาเพื่จะอาศัยศาสนาอาศัยวัดวาว่าอาศัยครูอาศัยอาจารย์เหมือนนุ่งนั่นที่จะปฏิบัตใจใจเพิเติถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็มืดม อย่างนั้นในผู้ตังทู้เวดมีโอกาสในจิดอื่นมายุ่นเกี่ยวในตาหนังตาผาเพลียนภาวนาเดินตรงๆหนังสมาธิจุตเอเวนจิตของตนห้องบระงับในอย่างนั้นการมาบวชเียงต่เพื เราหยุคขึ้นพอเป็นคราว่าการงานนานอื่น บ, บังคับม่มีกาลังกายเชียงพอ า, เอาะเราจประกอบกการงานนานอื่นเหนือยเหนื่อยหน่อย่่หเวเป็นาเป็นงการงานนานอื่นนื่นอจะออกกันเลย ปฏิัตอัดทำไมีทาตำราใจมีใจกิเลกทำใส่หน่อท้องใจมีใจตระหาความอยากเป็นญคิดปิดข้อโยดประเหนเข้าแต่ขนาดยินดีเผดเพลไปตามรูปจิตกลน ที่มนมีมีแต่จิตที่มัมีอัดทังมีตัวเ่องตัวเป็นอย่างนั้นมีแต่จิดจิดข่องต้านนัดยืนดวยอยากตอบอยาสู้แล้วจิตมันมีทำรักษามีแต่กิเลสปัญหาเป็นหน้าหน้าส่วนกงไปทุกวันทุกเวลาเสียงับน้องกัน ได้ยินเข้าแต่เราไปต่อเกี่ยวติดข้องอยากจะไปอังเถงดเถิ เ, เอมอื่มอมาหลงหลงในเสียงทะเลาะเสมอตอย่างนั้นอย่างนี้ัะเสียงอัจเสียงท า, งท า, ทานนงจุตคืออาจารย์แม่สอนแล้วคอจะเข้าไปย่ำขัดในจิตในใจทั้งเปตนจะเสียงของโลกเสียงวิบ่าววัดห่างหนือนั้น เตือนภยามเดินเป็นเตืนภาวนาทำร้ายจิตดูภายใ น, ในอยู่สม่นเสมอไปอย่าปล่อยใจให่ตไปตามเรื่องโลกเพราะเรื่องโลกให้ ด, ดูโดยอดโดยทำจริงจังเขาไม่มีอะไรที่จะสุขจะสบายแตเสดวยเสถ่ากั ต้องไหวหุ่นเคลื่อน่งจติดข้อกายก็บๆต่กำทงานหนักหนื่ก็ได้มาอยากมากินหลกมนเปมีอย่งนะความยุ่งเหยิงของใจท่านัีนที่ท่านที่ท่านพูกเราท่านยุ่งเหยิงยุ่งวาไม่ใช่เรื่องอื่นอื่น เขาทุกสิ่งทุกอย่างเขาสั่มาหาม า, ส า, าใส่พระเห้มหลยได้แต่พูดปฏิบัติจนเมดเ็นหนุ่เขาเลยเพืบบ่องโดถามอยาจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้จากพวกเราโอก า, าสหน้าที่เป็นมียเป็นที่ะะะจะไปพตดปฏิบัติการจัดจิตใจทั้งตัว คารวะเป็นไปไม่ได้แตนัน่งหลับหูหลับตาภาวนาการงานหนักี่มันมีความยุ่งเหยิงของใจติดไข้ซิบจิดขวางต่างๆเพราะการเหน่อยชลำร่ า, าสารไมนมีอาจาธรรความยุ่งเหยิงสวนใหญ่พรนรที่อยู่ในวัดในว้านในบ้านก็เพราะเชื่อเรื่องเลสตัหา อื่นไม่มีอะไรสู่จะเป็นคิดเป็นใครวยาใจเท่ากับราคาปัญหาของตัวก็ทุย่าการเนเื่องเหมก็่มีเสียงพอวารีบรูที่อยู่ที่อาศัยยิ่งใหญ่โตป่าคาราใหญ่โตอย่างไรคาราว่าเมาื่อวัหนึ่งเขาอยู่กันกคนจิตคนถ้าจะไม่แบ่ได้ไม่เท่าถือเราอยู่พอเราอยู่ประตุ หนึ่งต่ออื่นยวบุกกองเสือเดียสบ่ายทุกหนทุกแ่งตัน้องกันเขาใช้เขายจนขาดกันบางบางคนหนึ่งไปหนึ่งมาทาไรทามาจนดูไม่ออกหาของเขาเขมใจสองุดทั้งดูยติ เอาไว้หรือ้าเน่วนพเรายังมีอาหารแสนสบายหนาไม่เอดยาบหยาจนการขบขันกับนี้กันเขามีอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นทัครอบครัวแต่ละวันแต่ละมื้อที่เขาทานกันไม่เคยมีหลายสิ่หลายอย่างแต่เราที่ตื่นางเมเนินมาจนอย่างน้ คนนั้นเอามาอย่างหนึ an, ую, même, son, ran, он, in, ่งคนนี้เอามาอย่างหนึ่งอาหารการขบขันมีมากมาหลายอย่างทั้งหวานทั้งคราวมีมากมาอดอยากขาดแคลนอะไรนี่ฉันมากมาเดี๋มานี้พิจารณายุบปัญหามันจะเพื่อนทนจิตใจมันมีวันสงบระงับปรับยุบปัญหาให้ เขาเป็นอะไเอาใจใส่ติดต่อเพื่อนตะติัราคาตัญหาจป็นกระเร็้องเ้นโกสิดเรายืมก็วชอบอยนี้อาจทำแม่สอนตัวเป็นอย่างนี้สึงที่เราติดล้าชอบเราเมว่ามันดีเยี่ยมสุมันเกิดจากชีวิตเกิดจากตันหาทางใจ ในใจมันเกิดมาจากรูปจากเสีย ง, ย ง, ง ส, าายยส่วน น, น, นนั้ก น, น, า ก, า น, นาากายของพวกเราขึ้นไม่ทราบอะไรท่าางใจไม่ยินดีไม่เกี่ยวข้องไม่เพิดเพลินไม่ลืมหลวงนั่นเปนไมมีอะไรเป็นปัญหาตายมันมีอยู่วัตถายตรงนั้นคนที่ลมหลวงไปตามแบบที่เหลือปัญหา เป็นมีความทุกข์ความมโนหนักเป็นผลเกิดขึ้นมาจากเขาในใจเขามีความสุขความสบาปัญญาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเปสิ่งที่ักอกจิตใจหรือตำนะสสาให้จิตใจของเราทสว่างใสเรือเหวี่ยงตามนจริงในสุ่งนั้นนรื่องมหล กิดเพลิงเพราะเป็นสิ่งที่หน่อยจำเป็นที่เราชอบเราติดแ้วขคิดเราคิดเหมือนั้นไใช่เ ร, เรื่องจำเป็นในชีวิตเม่ใช่เ ร, เรื่องจากนำความฝึกมาให้หนอกจากใจเร า, อาเองคนทั่วไปทุกยากลำบากกายใจแต่เพราะเชื่อเรื่องขางกิเลสปัญหาไม่ใช่แเชื่อเรื่องของธรรมะคนเชื่อเรื่องธรรมะ ไ <c oughs> <M> ม่หลงไปตามเหลอกเกี่ยว ก, กับปหาหับห้างต้านทานแนะสอนตนคนนั้นจะมีความสุขความสงบได้เรื่องอืนง่นภายในวัดควรดูพูมสุขทุกอย่างถูกถึงเรื่องเรื่องดูเรื่องอาไัยตัดใจทั้งสี่ ยิ น, นเท้าบาทโยนาสนะยาแจกให้ยาซึ่งที่มันเพิดเพลินลืมหลงหรือทำลายจิตใจไม่ให้สุขให้สงบเห้สบายได้แต่เพราะราชาตัญหาชอบติดคิดจึงในเพลิด ต, ต้องการฆ่าถือว่ามันเสือมันงานถือว่ามันสุกมันสบายถือว่าตรงน้คองดี่มยิ่ เ้าะบาเดยที่พิจารณาในสิ่งห่นั้นตามเป็นจริงในอดในธรรมผิดพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเหนจิตจริงจริงอย่างหานนี้พิจารณาจริงจังรูเขารู้เราไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันบินน้ำลมไผ่ม้อนกันอากาศดินแดนม้อนกันใจเจ็บตายม้อนกันหนาเหมมนกัน ม, มีอะไรน่าอาัศจรรย์น่าเพลื่อเนเคลื่นน่าลุ่มหลงนี่คือผูอม้มีธรรมะที่เจรณาตามจริงท้องมันถ้าหากมันยังละยังถอนไม่ได้มันที่นี่ที่เจรณาอาสุภะอสุภังความาเหน่อยเสียกฎงดงานท้องตนเมื่อเห็นเรื่องทงตนคนอื่นตัดอื่นมันก็เห่อยสงสยัยอะไรที่เรา ไปลืมหลวงมั่นหมายไปหญิงชายต่างๆพิจารณาดูขนขนแล็ดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือมันเป็นหญิงเป็นชายมันเป็นเราเป็นเขาถามมันดูพิจารนามันดูให้ทั่วถึงที่เราไปกำหนดยนดีวเราไม่พิจารณาอย่างนี้เลยเพื่อเชิล่มเหลงของเน่าของเหม็น ของทุกข์ที่ว่าของหอมของดีของสุขความจียงการเสด็จามเปทุกข์ในเช่ของสุกของสบายผ่านจพูดถึงเรื่องทุกงการเอาไว้ว่าเหมืนกันกับหลุนถ่านเคงคนใดเมื่อที่นิจเจอมาไปตกเข้าคนนั้นจะเดืรับทุกข์เดือดร้อน แทบประดาตายหรือเหมือนกันกับความฝันพอเศษแล้วอนมีอะไรที่จิดเมื่อติดตัว ม, มาได้เราฝันอย่างไรตื่นมาคำฝันนั้นจะไม่เป็นจริงให้จะหายไปไม่มีอะไรตุดจริงควรเสษตามกว่าทานนีนเ้น เดีวยวความหลงความกำ น, นัดยินดีเพิดเพลินว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้ยินดีเพิดเพเเ ล, เเเลินเขาหลงเราเอหลงเขาเดีวยวแบบนี้อาจมีคำทั้งสองฝ่ายจึงเกิดกำ น, นัดยินดีกันขึ้นละเพทของเรากว่วดีเขากวาา่วดีอวัยะเพศต่างๆ หากหุดมืชิดจึงไปในเรือร่องของกรรมระยะเพยื่อนั้นยังมี อ, อยู่แต่เขาไม่รู้ไม่ถนัดอะไรเศษไปเพราะใจใจก็มีความสุขความสบายอะไรหาคิดใช้ไในเรื่องของทรรมจริงจังคนเกิเศษมากเข้าจะต้องไหวหน า, า, า, า, า, า, า, า, าวเจ้าสุกทกข์กติ จะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามถ้าหากไม่เ็บการร่างกายเสืสดงดงามเป่งประาเพราะเสบการกันเข้าหน้าตาไนุ่เหน๋อหน้าสืองามเราเคยเห็นจนจัดฉี่พยายามจนเกิดเสพการมากๆจะต้องมีสีหน้าคี่ตา ติดปกติในเสืองามให้กาลังวังชาภายในตายจมเลื่อนหย่อนตกไปใน่จลูกนำความสุขมาให้นอกจากใจลุ่มหลงพเจารณาให้ถึงใจถ้าพิจาราถึงใจพิจาราไม่อาจไม่ทาแล้วมันไม่มีทางสข้มใส่คือเราถือไว้ มันดองอย่างนั้นดังนี้มันเลือดคทอทำให้แดงมันนมเยิดทำงานอย่างนั้นดังนี้ก่อนเนื้อมันเน่าทาไม่ทัดสีส้มวาตกกับตกเหมือนห้เหมือนโขงกันเราจะโตโขงทาไมเราอยากไรใครอยากนั้นไม่มีอะไรผิดผปลกต่างกัน อวัยวะของเราผิวหนังเป็นผู้ชายก็เหมือนกันกันกบอวัยวะของเขาที่เป็นผู้หญิงไม่มีสิ่งใดสิบแปกกันตอนห น, น, น, นังอันเดียวกันเน้อันเดียวกันแต่เราเข้าใจตามสมมติทังโลกโดยวิธีพิจารณาธรรมะยิ่งไปลืมหลงติดข้องกำหนัดเถลิทชนฉะนั้นการพิจารณาธรรมะ ยัง เ, เป็นเรื่องแกะไขราคาตันหาที่แกนาลึกเข้าไปเถลายใจริ่เห็นตามเป็นจริงยอมจำ น, นำองทำความท้องวุ้ยได้เจ้าเป็นของจริงอย่างนี้สามารถชำระสักก๊อกจิตใจที่ เ, เล่นหลงให้หายออกไปได้เหวนแทนที่จะดูเพียงภายนอกไม่เป็นอย่างนั้นจะต้อง เลยะหนังเขาไปดูเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไขขิงต่างๆส่วนเป็นของไหนเสือไหนงามเป็นของอายุจังทุกขัง อ, น, อนัตตาหนึ่งือดูจมูกธรรมะภายในถ้าไม่ดูยงังคิวเผินภายน อ, อกเท่านั้นจะ ต, ต้องดูเข้าไปภายในมันเสืออยู่ไหนมันงามอย่ไหนอะไรไหลออกมาจากปากจากจหมุก จากพวารหนักทวานเบาหรือตามเมื่อตามตัวมีอะไรสวยงามมีคุณค่าราคาคพอขายได้มีแต่ของเน่าของเหม็นถ้าไปถายไปบ้างเลเรียนของเขาเขาจะต้องปรับต้องใหม่ประเหต์ใดเพราะเป็นของโปรปกมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นเลือดเจีเวลิมเราเห็งว่ามันน่าแดงมันสวยงาม